โมตัจฉะังกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัจฉะังกวโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัะกวาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะ ติมานิอะตมดิวะเสันิปติตายะุถะปริสตายะากาจิธัมเมกาถาปัติยเตพุถางสระนังัจามิธรรมสระนังัจามิสังังสระนังกัสาเมิิมัสสะมะปริยายะสะ อโศจาายัสมันเตหิสจักจังธรรมโมโซตบปตินวันนี้เป็นวันอธมณิทีที่แปดค่ำแห่งปักพุทธมริษัทได้มาประสม สันิบาทพร้อมกันณธรรมสภาสารานีในเบื้องต้นก็ได้ทำบุรภาจิตมีการไหว้พระสวดมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้วโอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะสดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาซึ่งการ สระรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนานี้พวกเราก็ได้ปฏิบัติการมาเป็นประจำสำหรับในวันอุโบโสถศีลแปดคำสิบห้าคำเพื่อเป็นการทำให้จิตใจของเราจะได้เข้าใจในาศาสนาธรรมคำสอนจะได้เกิดความรู้ ความเข้าใจและจะได้เป็นอบายนำไปประพฤติปฏิบัติดัด ก, กายวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามาศมมาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยเหตุนี้จึงได้สนับรับฟังกันเป็นประจำเป็นประจำไม่ได้ขาดเพราะการฟังนี้ย่อมจะทำให้ ได้รู้ได้เข้าใจได้ทราบซึ่งในศาสนาธรรมคําสอนสิ่งใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะได้รู้ได้เข้าใจและจะทําให้เราได้ประพฤติปฏิบัติด <c oughs> ัดกายวาจาจิตให้เป็นไปาตามทางแห่งอริยมรรคให้เป็นไปาตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ได้ประธานโอวาทเพื่อให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ด้วยเหตุนี้การสดับรับฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ควรพวกเราพุทธบริษัทผู้สนใจภายในธรรมทั้งหลาย <c oughs> จะได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจาเกิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในศาสนระคำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยเหตุนี้ในวันนี้พวกเราก็จะได้สะดับรับฟังตามที่เคยกระทามาเป็นประจำดังที่อาตมาได้ปารอบ ในเบื้องต้นที่ได้ยกพุทธภาสิตที่พวกเราได้สวดกันเป็นประจำเป็นประจำและได้กล่าวกันเป็นประจำไม่ได้ขาด <c oughs> คือพุทธทางสระนังคขฉามิ <c oughs> ความหมายในพุทธทางสระนังคขฉามินั้นป่าแล้วก็ได้แก่เราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง หรือเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึง่งในคำบาลี lish, ที่ท่านแสดงว่าพุทธังสรณะขฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึง่งอันประเปิดของขพเจา้าธรรมังสรณะขฉามิพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึง่งอันเสริดของขพเจ้าสร้างทางสรณะขฉามิพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นพี่พึ่ออันประเสริฐของข pues <c oughs> ้าพเจ้าดังนี้พุทธังสารนางคัจฉามิพระพุทธเจ้าคือท่านผู้ที่รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองประพฤติทมให้รู้ให้เข้าใจด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอน พระองค์สามารถค้นคว้าฝึกปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาจิตรู้เข้าใจตามสภาวธรรมความจริงตามเหตุผลแห่งความจริงที่มีอยู่เมื่อได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้นำมาประกาศสอนแกเวนยสยัตว์ประกาศสอนแกพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้ความจริง จะทำความจริงที่พระองค์ได้รู้ได้เข้าใจนั้นก็ได้แก่ความจริงที่มีประจำอยู่ในโลกนี้ที่เรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ความจริงคือทุกข์ที่มีประจำอยู่ในเวญจขันธ์ที่มีอยู่ประจาในกายจิตของแต่ละรูปแต่ละนาม ที่มีอยู่นี้ไม่เรียกว่าหญิงชายเด็กเล็กผู้ใหญ่ไม่เรียกว่ามนุษย์บุคคลเราหรือสัลยาฉานเมื่อเกิดมาในโลกนี้มีรูปมีนามย่อมมีทุกขประจําอยู่ทุกรูปทุกนามเป็นความจริงที่มีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่มีปัญญาเสียเลสระดสามารถรอบรู้ ไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมที่มีอยู่แสดงอยู่ที่เรียกว่าทุกขสัต์นั้นจึงไม่ได้เกิดความสังเวชสลดใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นด้วยเหตุนี้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้รู้ได้เข้าใจในสัจธรรมคือความจริงที่นีอยู่นำมาประกาศสอนพวกเราจึงได้พินิษพิจารณาใน สว่าคาตธรรมที่ตัดไว้ชอบว่าทุกสัตว์มีอยู่ประจำเบนจะขันคือทุกทางกายทุกทางจิต <c oughs> มีอยู่ทุกรูปทุกนามทุกทางกายทุกเพราะความแก่ความเจ็บความคํำค่าสราการในเมื่อความแก่ความเจ็บความคํำค่า ทางรูปขันเข้ามาบีบบังคับทำให้รูปขันนีเปลี่ยนแปลงไปกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเกิดความทุกขเวทนาเกิดความไม่สบายในกายมีความเจ็บปวดรุ่ดราวมีความเมื่อยความหิวสารพัดอย่างสแสดงอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าทุก ทางกายทุกทางขันคือรูคือรูประขันที่มีอยู่ไม่ได้เรียบไม่ได้เรียกว่าเด็กเล็กหนุ่มสาวแก่เท่าศราการย่อมมีกันอยู่อย่างนั้นย่อมเป็นทุกข์กันอยู่อย่างนั้นเวลาเก็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นห น, นาวเป็นโรคหูโรคตาเก็บท้องปวดหัวสารพัดอย่าง มีความเจ็บความปวดมีความทุกขเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นในรูปปัจขันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เมื่อเวลาบุคคลผู้ใดได้สัมผัสกับความทุกข์ที่แสดงอยู่อย่างนี้จึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกขหรือเป็นความเจ็บปวดรวดรล้าวขนาดไหนก็จะรู้ได้เฉพาะตน ทุกทางจิตใจทุกเพราะความขับแช่นใจความเสียใจความราดธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมประสงค์ก็เป็นทุกข์ทุกเพราะเสียทุกเพราะมาบาดสาจากสิ่งที่รักที่ชอบใจนี่เป็นทุกข์อยู่อย่างนั่นนี่ทุกเพราะความไม่พอใจเกิด ความไม่พอใจในสิ่งที่ตนได้ตนมีหรือไม่พอใจในสิ่งที่ตนไม่ได้ไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ว่าทุกข์ทางจิต <c oughs> <c oughs> เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้ไม่สบายทำให้กระวนกระวายทำให้เดือดรอด้อนทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางจิตก็ดีมีความกระวนกระวายอยู่อย่างนั่น เาทุกทางกายเมื่อหาว่าเกิดทุกขึ้นมาก็ซอแสดงไปถึงจิตจิตใจเป็นผู้รับสัมผัสเพราะฉันเมื่อทุกทางกายก็ยังเข้าไปถึงใจใจก็เป็นผู้รับทุกขอันหนักเป็นผู้รับภาระเพราะทุก์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนั้นมีประจำใน เป็นจกขันมีประจำอยู่ในสังขารและคือร่างกายจิตใจมีอยู่เป็นประจำอย่างนั้นแต่ถ้าไม่พินิษพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงก็ไปหลงในทุกข์เมื่อหลงในทุกขก็ย่อมเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกซ่อนทุกขึ้นมาเพราะความไม่ปรารถนาในทุกข์ที่มีอยู่เมื่อไม่ปรารถนาก็ต้องการอยากจะให้ทุกนั่นดับไปให้ทุกนั่นหายไป หรือให้ทุกนั่นเสียมศูนย์อันต ร, รฐานไปแต่ทุกข์นั่นก็ไม่ได้เสียมศูนย์อันต ร, รฐานไปที่ไหนยังคงมีอยู่แสดงอยู่เป็นความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตของเราไม่ปราถนาทุกข์ก็ย่อมเกิดความทุกข์เพิ่มทุกข์เข้าไปอีก <c oughs> นี่ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาทุกที่ท่านเรียกว่าทุกขสัจ ความจริงคือทุกข์มีอยู่อย่างนี้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ธรรมคือทุกข์และสมุทัยแหุที่ให้เกิดทุกข์คือความทะเยอทยานอยากที่เรียกว่าตัณหาสามตัณหาความทะยานอยากในความใข่ในกามคือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตัณหาความทะยานอยากมั่งอยากมีอยากเป็น และตัณหาความทยานอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นที่ท่านเรียกว่าตัณหาสามอันนี้เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทั้งสามนี้สรุปรวมลงมาแล้วก็มีอันเดียวตัณหามีอันเดียวคือความทยานอยากจะทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ก, ก็ตามก็เป็นความทยานอยากของจิตจะทยานอยากไม่ให้เป็นไม่ให้มีก็เป็นความทยานอยากของจิต อยากทะยานอยากให้เป็นให้มีก็เป็นความทะยานอยากของจิตที่รวมตัณหาทั้งสามรวมลงมาก็เป็นตัณหาอันเดียวคือความทะยานอยากของจิตที่ไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันด้วยเหตุนี้จึงได้มาฝึกหัดสติปัญญาของเราเพื่อให้รู้ความจริง ในเหตุที่คือทำรรให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าตัณหาเมื่อเรามาฝึกหัดสติสัมปชัญญะให้แก่ก้าสมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้มากําหนดรูปอยู่ที่จิตของเราว่าจิตนี้จะเกิดความทะยานอยากเกิดความกระเพื่อมขึ้นมาแ่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากดีก็ตามหรืออยาก ไม่อยากให้เป็นไม่ให้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้แกไม่อยากให้เก็บไม่อยากให้ตายก็ตามก็เป็นเรื่องความอยากของจิตเมื่อความอยากแต่ละอย่างแต่ละอาการที่จิตจะส่งแส้สายไปตามอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เราก็มีสติปัญญายับยัง้งพิจรารณาอย่างรู้ตามสภาพความจริงสอนจิตให้รู้ให้เข้าใจตามความจริงว่า ความทยานอยากเหล่านั้นเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เพราะความจริงของเขามีอยู่แต่เราจะต้องการไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นหรือต้องการอยากให้มีอยากให้เป็นในเมื่อมันยังไม่มีมันยังไม่เป็นมันยังไม่เกิดขึ้นอดีตอนาคตอดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงอยากจะให้เป็นเหมือนอดีต ท, ที่ผ่านไปหรืออดีต ท, ที่ผ่านไปแล้ว เราไม่ต้องการอยากจะให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านไปแล้วอันนี้เป็นความทะเยอะทะยานอยากของจิตทางนั้นเ <c oughs> มื่อมามีสติปัญญารู้ตามความจริงว่าแต่ละสิ่งแต่ละอาการย่อมเกิดขึ้นมาที่จิตของเราเป็นผู้รุ่มหลงเป็นผู้หลงไหลไฟฝันเป็นผู้มัวเมามาสอนจิตให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงในสภาวธรรม เมื่อหาว่าเกิดความทยานอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความต้องการมีอุปทานความประยุทธ์มั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ <c oughs> นี่เมื่อเรามากำหนดรู้อยู่ที่จิตระงับดับกันหาอันเดียวคือจิตของเราที่จะทะเยอทยานเท่านั้นมารู้ความจริงในสภาพจิตของเราว่าถ้าหากว่า ไม่มีสติปัญญาก็ย่อมน้อมไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบย่อมกระเพื่อมไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อมาฝึกสติให้รู้เท่าทันในขณะจิตที่จะทรงกระเพื่อมไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้ยับยั้งไว้ก็ดับจากอารมณ์เหล่านั้นเป็นปกติเป็นความตั้งมั่นอยู่เฉพาะจิต ปัญญาทำหน้าที่รอบสอนจิตอยู่นี่จิตก็ไม่กระเพื่องไม่หลงไหลไปตามอาการเหล่านั้นทุกข์ก็ดับไปสมุทัยก็ดับไปเมื่อสมุทัยดับทุกข์ก็ไม่เกิด น, นี่ท่านจึงว่าดับที่สมุทัยเพราะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความทะเยอทยานอยากเมื่อเรามาดับความทะเยอทยานอยาก ถ้าเจอทยานอยากได้เสวดบสมุทัย <c oughs> เมื่อดับที่สมุทัยแล้วความทยานอยากไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นนี่ท่านให้มารู้มาเข้าใจระงับดับความทยานอยากที่เรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้มารู้เหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือตัณหาทั้งสามที่เรียกว่าสมุทัยนี้ เมื่อรู้เข้าใจแล้วท่านก็มาดับในที่นี้คือมารู้เท่าจิตที่จะท่าย่อทายานทรงแสสายไปอยากโน้นอยากนี่อยากมั่งอยากมีหรืออยากได้อยากให้เกิดอยากให้มีหรือไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีมารู้เท่าในความทยานอยากเหล่านี้แล้วก็ดับในที่นี้ดับที่จิตของเรานี่เมื่อดับที่จิตความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นที่จิต เมื่อกิดไม่ทุกข์กิตก็สบายกิดก็เยือกเย็นเป็นสุข <c oughs> นี้ท่านมาดับทุกข์ดับที่นี่และมารู้เหตุที่จะให้เกิดทุกข์ก็รู้อยู่ในที่นี้ <c oughs> และนิโรธคือความดับทุกข์มักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาค้นพบ ได้มารู้มาเข้าใจมรคคือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาถ้าแยกขยายออกไปก็เรียกว่ามรคมีองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นอันชอบถ้าหาว่าเห็นผิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิด ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิมีมักมีองค์แปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบก็ย่อมมีความดำริชอบสัมมาสังกรปรืคือความดำริชอบดำริภายในจิตของเรา ดำริที่จะประพฤติปฏิบัติดําริที่จะละเว้นจากสิ่งที่เป็นข่าศึกของจิตนี่เรียกว่าสัมมาสัมมาสังกปคือความดํารีชอบสัมมากัมมันโตการงานที่กระทำนั้นก็เป็นการงานที่ชอบอย่างที่เรามาประกอบบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือบำเพ็ญทานศีลสมาธ บำเพ็ญศีลทานภาวนาอยู่อย่างนี้นี่เป็นการงานที่กระทาเป็นการงานที่ชอบประกอบด้วยประกอบเป็นไปตามทางแห่งอริยมรรคเรียกว่าการงานที่ชอบเป็นการงานที่จะนำให้ออกจากทุก์หรือนำให้พ้นทุก์ได้นี่เรียกว่านี่เรียกว่าสัมมากรรมโตสมาสีโก การเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบคือเว้นจากสิ่งที่ผิดจากศีลธรรมเว้นจากการที่เราจะสแสวงหามาเลี่ยงชีวิตในทางที่ผิดเช่นการรักการขโมยการโกงการโกโ ป, รปหมดเท็จสารพัดอย่างในทางที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายเป็นสิ่งที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่ท่านจึงจัดว่าการหาเรื่องชีวิตในทางที่ไม่ชอบเมื่อเราสแสวงหาสิ่งที่มาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบได้ชื่อว่าเดินตามทางแห่งอริยมรรค สัมมาวายามโมความเพียรชอบเพียพรพยายามที่จะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวแถวทางแห่งธรรมคำสอนองค์สมเด็จขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นความเพียรชอบพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ยินดีในทางศีลภาวนา นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรสอบหรือเพียรพยายามตั้งสติจดจอที่จิตใจของเราให้เกิดความสงบระงับตั้งมัน่นไม่ให้วันไหวไปตามสัญญาลมนี่เรียกว่ามีความเพียรพยายามที่ชอบเพียรพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิเพียรพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตของตนนี่เป็นความเพียรสอบสัมมาวายามโมสัมมาสติการตั้งสติ คือความระลึกไว้ในสิ่งที่ชอบคือระลึกว่าการที่เราจะประพฤติศีลธรรมบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือการระลึกไม่ให้จิตของเราตกไปตามกระแสแห่งอารมณ์คือความรักความชังไม่ให้เกิดความวุ่นวุ่นมัวภายในจิตใจเพราะความ ไม่พอใจเพราะความเสียใจนี่เป็นการะระลึกไว้ชอบ <c oughs> สติคือความะระลึกเมื่อะระลึกชอบก็ย่อมเป็นไปตามทางแห่งธรรมย่อมจะนําออกจากทุกสติคือความะระลึกชอบเมื่อมีสติความะระลึกชอบสมาธิคือความตั้งใจมั่นก็ชอบนี่เรียกว่าสั ม, มาสมาธิคือความตั้งใจไว้มัน่นตั้งใจไว้ แต่การที่จะประพฤติปฏิบัติการที่จะบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือตั้งใจไว้แต่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นหรือตั้งใจไว้ให้เป็นกิจใจที่มีความเมตตาอารีตั้งอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรานี่เรียกว่าเป็นการตั้งใจไว้ชอบนี่เมื่อหากว่าเราตั้ง จิตของเราไว้ชอบและทำความเห็นให้ชอบนับตั้งแต่เบื้องตน้นมักเบื้องตน้นคือปัญญาเห็นชอบและดำริชอบการงานชอบเจราจาชอบมีความเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งจิตไว้ชอบนี่เรียกว่าเป็นมักคือทางดำเนินที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ทำให้เกิดความรู้แจ้งภายในจิตใจของตนเองเมื่อความแจ้งความรู้ตามสภาพความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็จะดับเสือซึ่งทุกข์ที่เรียกว่านิโรธะคือความดับทุกข์เป็นผลของมักที่เราเจริญเดินมักให้กล้าให้ถูกต้องแล้วทุกข์ทั้งหลายย่อมจะดับไปเพราะเราเกิดความรู้ความเห็นความเป็น ตามความเป็นจริงและดัดเสียซึ่งโทษที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาจิตเอาศีลสมาธิปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องประกันภายในจิตใจของเรามาบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปตามแนวแถวธรรมคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะระงับดับเสียซึ่งโทษนี่เรียกว่าถึงซึ่งความดับนิโรสะคือความดับทุกข์นิโรธ หรือความควรเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วเพราะเราได้เดินมักมักเป็นสิ่งที่ควรเจริญเราได้เจริญเดินตามมักคือศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อหากว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเจริญเดินตามมักทั้งแป8ประการหรือรวมลงมาว่าได้แก่ศีลสมาธิปัญญาตั้งกายวาจาจิตของเราให้เป็นไปตาม แนวทางของศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดความรู้แก้งตามความเป็นจริงและจะดับทุกข์ได้เป็นลําดับลําดับไปนับแต่ทุกขั้น จ, จับจับจนถึงทุกขั้นละเอียดคือทุกภายในใจิตใจเนี่อาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยการที่เราได้รู้ได้เข้าใจหรือได้ยินได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสี่พระองค์ได้ พบได้รู้ในสัจธรรมคือความจริงทั้งสประการและนํามาประกาศสอนพวกเราให้ได้พฤติปฏิบัติตามนี่พระองค์จึงเป็นผู้มีพระเมตตาอยิ่งใหญ่มีพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงประกาศสั่งสอนและมีพระเมตตาที่ได้ประกาศสอนทำแก่พุทธบริษัททั้งหลายด้วยเหตุนี้ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งของเรานี่พุทธทางสระนังขะฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่นับถืออันประเสริฐของข้าพเจ้าคือพึ่งคือพึ่งได้ด้วยการที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจในศาสนธรรมคําสอนจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพคบที่พระองค์ได้ทรงประพฤติธปฏิบัติ ได้รู้ได้เข้าใจแล้วนำสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้มาสั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายพวกเราได้รู้ได้เข้าใจได้ยินได้ฟังแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติลงไปที่จิตใจของตนฝึกฝนจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปตาม ศาสนะธรรมให้เดินตามทางแห่งธรรมคือมักตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสี่แนะแนวทางไว้แล้เราก็จะได้รับความสุขความเจริญในธรรมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจึงได้ซื่อว่าเป็นพุทธพุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นจากความหลับผู้เบิกบานในธรรมจึงได้ซื่อว่าเป็นพุทโธขึ้นมาเต็มดวงเต็มพระไทยของพระองค <c oughs> ์เมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังทำเรานั่นแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดกายวาจจจิตให้เป็นไปตามธรรมคือศีลสมาธิปัญญารักษากายวาจจจิตของตนให้เป็นปกติฝึกหัดจิตให้มีสติเพื่อให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นและมีปัญญาความรอบรู้สอนจิตใจของตนให้รู้ในสิ่งที่ถูกที่ผิดสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งไหนที่ควร กระทำบาเพ็ญหรือให้รู้ความจริงเพื่อจิตของเราจะได้ละไม่สัมประยุทธ์ไม่ได้ยึดในสิ่งที่เห็นผิดเป็นถูกในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัตว์ทั้งหลายนี่เมื่อเรามาพินิษ์พิจารณาตามสภาวธรรมออย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ได้เข้าใจและได้ละความยึดความถือ ในสิ่งที่ผิดในทางที่ผิดดาเนินเดินตามธรรมนี่พระธรรมจึงเป็นที่พึ่งที่นับถืออันประเสริฐของเรานี่ธรรมังสระนางคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถืออันประเสริฐของขาาา้าพเจ้านีพระธรรมเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้เ <c oughs> มื่อเราประพฤติปฏิบัติตามาศาสนธรรมระวัง รักษากายวาจาจิตของเราให้เป็นไปในศีลให้เป็นไปในธรรมกันระยานศีลกันระยานธรรมธรรมคือเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตของตนฝึกหัดปฏิบัติให้จิตของเราเป็นจิตที่มีความเมตตาอารีสัมมาสีวะ แสวงหาเรื่องชีวิตในทางที่สอบกรมสัมมาตาเป็นผู้มีความสำรวมในรูปเสียงกินรสสัมผัสัจจาวาจามีวาจารเป็นสัตว์เป็นจริงไม่โกปรปหมดเท็จไม่มุสาวาดหลอกลวงไม่โกโหกคดโกง <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นผู้มีวาจาสัตสัมมาสติมีความตั้งสติไว้ชอบ นี่เป็นกัลยาณธรรมเป็นธรรมที่ควรประพฤติให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เมื่อเรากระทาให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้จิตของเราได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเพราะการประพฤติธปฏิบัติธรรมนี่ได้ชื่อว่าพระธรรมคุ้มครองเราพระธรรมให้ความสุขเพราะเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้รักษาธรรม สมดังภาษิต ท, ที่ท่านยกไว้ว่ารมโมหะเวรคติ